สภาพธรรมที่รู้แจ้งอารมณ์ตามความเป็นจริงใช่ไหมคําว่ารู้แจ้งอารมณ์ตามความเป็นจริงก็คือว่ารู้แจ้งความจริงของสภาวะลักษณะและสามัญญลักษณะต้องไปรู้อย่างนั้นแหละลักษณะของปัญญาก็คือต้องเข้าไปรู้แจ้งยังไง ร, รู้แจ้งอารมณ์ตามความเป็นจริงที่บอกว่ารู้แจ้งตรงต่ออารมณ์ปรมาถธรรมเลย ดุดนักแม่นธนูที่ยิงตรงเป้าอ่ะรู้แจ้งอย่างนั้นแหละจิตของปัญญาเป็นยังไงสภาพธรรมที่ส่องอารมณ์ให้สว่างเจลี้จ้าเหมือนจุดประทีปประทีปประจุดขึ้นเนี่ยให้แสงสว่างไหมธรรมชาติของเขาก็ต้องกําจัดความมืดคือโมหะโมหะปิดอะไรปิดสภาวะลักษณะคือไม่รู้จักเลยลักษณะของโมลักษณะของเวขากับ ล, ลักษณะของโสมนัสเนี่ย คือลักษณะของโสมนัสกับเวขาว่าเป็นธรรมชาติที่มีความต่างกันโดยสิ้นเชิงเพราะโสมนัสเนี่ยเกิดพร้อมด้วยเวทนาที่เป็นโสมนัสใช่ไหมแล้วก็มีสภาพธรรมที่เกี่ยวกับปีติเข้าเกิดร่วมปราโมดปีติเกิดร่วมแต่ถ้าเบขาเป็นสภาวะธรรมที่ไม่มีโสมนัสเวทนาแต่เป็นอุเวขาเวทนาเป็นธรรมชาติที่วางเฉยแต่เฉยที่เป็นกุศลกับเฉยที่เป็นโมหะก็ต่างกัน ถ้าเฉยที่เป็นกุศลเนี่ยกลายเป็นเฉยที่มีสภาพของความละเอียดอ่อนละเอียดอ่อนอยังไงละเอียดอ่อนก็คือมีความมีความอ่อนความควนห่วงจิตในการงานที่เป็นไปกับกุศลมีความไม่แข็งกระด้างของจิตไม่มีความไม่มีเป้ไม่ใช่เป็นธรรมธาตชาติจิตหนักถ้าแข็งกระด้างก็ทิฏฐิมันะถ้าหนักก็คือทินมิท้เป็นประธาน หรือธรรมชาติใจที่ไม่ป่วยเพราะอํานาจของกิกเลสทั้งหลายฉะนั้นลักษณะตรงนี้จะปรากฏเด่นชัดในยานปัญญาของผู้ที่กำจัดโมหะที่ปิดบังสภาวะลักษณะของสภาพธรรมเหล่านี้ได้มันจะสามารถกระชากโมหะออกได้แล้วก็จะเห็นความจริงของสภาวะที่ปรากฏชัดในกระแสะใจของผู้ที่ไปไข้ควรวญอย่างนี้นะถามบอกว่าสภาพธรรมที่ไม่หลง ทาที่ทําให้ผลคือปราศจากความหลงตรงกาข้ากับโมหะเหมือนอะไรมาคุณมาคูเทศที่ชํานาญทางป่าเขาก็พานำไม่หลงทางใช่ไ้ยฉะนั้นสภาพของปัญญาถ้าเกิดขึ้นก็คือแยกได้เลยอ๋อนี่เป็นโสมนัสมีปีติประกอบพร้อมโดยโสมนัสเวทนาเป็นธรรมชาติที่ป่องใสไม่โอป่องใส อแล้วแล้วเวขาที่เป็นกุศลน่ะไม่มีปีติเกิดร่วมจะเป็นไปก็เวขาพ่องใสไหมเอาผ่องใสเหมือนกันเห็นไหมผ่องใสเหมือนกันแต่เป็นสัมภาพที่มีความสุ ข, ขุมเห็นไหมมีความสุขขมมีความที่ไม่ไม่ฟูขึ้นของจิตแล้วอย่างเงี้ยนะก็เห็นจุดต่างตงรงลักษณะอย่างเงี้ยประทัดฐานของปัญญาได้แก่เลย นถ้าหากเป็นวิปัสสนาก็เป็นสมาธิประสถ า, านางตรงนี้ก็คือนั่นคือจุดทีนี้ในรายละเอียดจริงๆแล้วเนี่ยปัญญานอกจากรู้สภาวะลักษณะแล้วต้องอะไรอีกธรรมที่รู้แจ้งสภาวะลักษณะและสามัญแยลักษณะตามความเป็นจริงเนาะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยโมหานี่เป็นสภาพธรรมที่เป็นความมืดบอดของจิตไหม คำบว่าบอดในที่นั้นเป็นเชื่อของโมหะเนะอะไรนะถ้าปัญญาเกิดขึ้นโมหะก็ถูกทำลายเขาทั้งท่านยังใช้ถึงว่าเหมือนจุดประทียในที่มืดอะไรนะอ๋อสาธุก็คือถ้าโมหะเกิดนะถ้าสภาพของโมหะเกิดเนะี่ยมันจะมืดมืดอะไรแยกสภาวะทำไม่ออกเลย แยกไม่ออกเออถ้าเรามองอย่างนี้เราเราจะเริ่มเห็นชัดไหมใครรู้จักโมหะไหมนั่งอยู่เนี้รู้จักหรือไม่รู้จักรู้จักไหมโมหะนี่เป็นยังไงอ่ะเป็นความบอดไหมมาจากคาว่าโมโหจิตตะสาอันท่าสภาวะลักโหนงไง คำว่าอันท่านี้ยแปลว่าความบอดความบอดคือความไม่รู้ไม่เห็นตามความเป็นจริงแห่งจิตก็คือสภาพธรรมที่จิตดวงตาคือปัญญาที่บอดสนิทบอดสนิทเลยโมหะนี่บอดเพราะอะไรหรือสภาพธรรมที่ไม่สามารถที่จะไปรู้ลักษณะเฉพาะตัวของสภาวธรรมนั้นได้และไม่สามารถที่จะไปเจาะทะลุดูลงเห็นความไม่เที่ยงเป็นทุกข์ เป็นอนัตตาของสภาวธรรมนั้นได้เลยนี่คือความบอดบอดสนิทไหมบอดสนิททีนี้ถามบอกว่าสภาพธรรมที่ทำให้ดวงตาคือปัญญาบอดสนิทนี่นะความสมบูรณ์ก็คืออะไรคือกิจกิจของโมหะมีสองอย่างนะกิจของเขาเนี่ยนะราษะ เขาเรียกว่ารษราษคือหน้าที่หน้าที่ของโมหะเนี่ยมีสองอย่างมีประเภทที่สัมปติราษากับกิจาราษะเนี่ยมาใช้สับบาลีนิดนึงน้า ส, สมบัติหรือสัมปติเนี่ยก็แปลความสมบูรณ์ถ้าโมหะเขาทำกิจสมบูรณ์แล้วนะเขาทำนานของเขาได้สมบูรณ์เมื่อไหรน่นะก็คือว่า ความไม่รู้ไม่เห็นตามความเป็นจริงเกิดขึ้นเลยมันบังบังจนสมบูรณ์แล้วมันปิดเลยไม่รู้แม้แต่ทั้งคุณของบรรดานะไตรเนีอย่าลืมเนะี่ยโมหะนี่ปิดเนะี่ยไม่รู้จากพระพุทธเจ้าหรอกไม่รู้เอ า, อางี้ถ้าบอกว่าพุทธัทงสรารนังขะฉามิข้าพเจ้าขอถึงพระพุทธเจ้า ว, ว่าเป็นสรารนณะใช่ไหม แล้วก็ไปกราบแล้วก็นึกพูดเจ้าอ ก, ก็นี่ไงรูปที่ปั้นไว้ไงหรือว่าบอดไหมมองไม่เห็นเนี่ยว่าพระรูปเนี่ยเขาท่านปั้นกันเขาไว้เพื่อให้เรารู้จักว่าพระรูปของพระบรมศาสดามีลักษณะอย่างนี้ใช่ไหมนี่เราไม่เราไม่รู้ว่าว่าพระศาสดานั้นมีพระรูปคือประดับไปด้วยมหาบุริสราขณะขและ อนุพ ย, ยัญชนะแปดสิบพอไปอ่านไปฟังคำสอนว่าพระศ า, าสดามีพระเนตรแบบนี้ใช่ไหมมีพระชิวหาอย่างนี้นะแล้วก็มีมีรู ป, ปากายลักษณะอย่างนี้เป็นต้นอ่านแล้วเป็นไปไม่ได้คนทำไมมีพระชิวหาอ่อนช้อยใช่ไหม แล้วยาวด้วยใหญ่ด้วยแลบให้ติดพระนราศก็ได้อย่างี้โอ้โหมองโมเชื่อไม่ได้เลยเดี๋นี้ขยายอย่างเดีย๋ยวนี้อย่างนี้เพราะอะไรดวงตาคือปัญญามันบอดไม่เห็นกรรมไม่เห็นกรรมที่พระองค์ทำไม่เข้าใจไม่เคยตรวจสอบในเรื่องของลักษณะสูตรใช่ไหมที่พระศาสดาสแสดงว่า ทำไมแต่ถาคดิ้งได้ฐานะนี้นั่นก็ปิดไม่มีอะไรไม่มีปริยติยานก็สืบคน้บนข้อหาญาณคือปัญญาเข้าถึงความจริงเป็นต้นได้ญาณในคําสอนก็ไม่มีใช่ไหมปัญญาที่เคขาวปตรวจสอบคาสอนก็ไม่ชัดดังนั้นสภาพที่ว่าปิดบังนี่เนะยถ้ากิจของเขาก็คือปิดบังความจริง แต่ถ้าหากว่าความสมบูรณ์ของจิตของเขาก็คือปิดจนสมบูรณ์แล้วอาการปรากฏคืออะไรผลปรากฏคืออะไรที่สามารถทําผลคือการปฏิบัติที่ไม่เหมาะสมไม่ถูกต้องเกิดขึ้นให้สังเกตว่าเราสังเกตงี้เลว่าถ้าเห็นรูปารมณ์ปุ๊บได้ทุจริตผลปรากฏเกิดขึ้นมาการปฏิบัติเหมาะสมไหม ได้ทุติยดาษไม่เหมาะแล้วนะได้ยินเสียงปุ๊บบาปก็เกิดได้กลิ่นปุ๊บบาปก็เกิดกินอาหารบาปก็เกิดสัมผัสเย็นร้อนบาปก็เกิดคิดเรื่องอะไรบาปก็เกิดง่ายอันนี้แปลว่าการปฏิบัติไม่เหมาะสมเกิดขึ้นหรือยังเกิดขึ้นแล้วนี่มันผลของโมหะสังเกตเดยว่าผลปรากฏของโมหะเป็นแบบนี้แทนโมหะเนี่เกิดง่ายมากสังเกตถ้าเราต้องการอยากจะรู้ว่าเรามีโมหะมากหรือไม่มาก เกี่ยวข้องตาทางตาหูจังบวกลิ้นกายใจได้แต่บาปเพราะแทนที่จะได้บุญไม่ได้เนี่ยทําไมมันได้บาปอยู่เรื่อยเรื่อเห็นชัดหอยังฟังทำแทนที่จะได้บุญก็ได้ได้ไรแทนที่จะได้บุญกับได้บาปเนี่ยอันนี้แปลว่าอะไรโมหะเกิดไหมโมหะเกิดแล้วก็ข้อปฏิบัติ ด, ดีหรือไม่ดีตอนเนี้ยไม่ดีแล้วเพราะบาปเกิดจะไปดีได้ไงเรื่มเห็นชัดไหม เอาคนหลายคนก็นั่งแล้วก็ได้บุญนะแต่เลาไม่นั่งได้บาปเาพราะอะไรอคนอื่นเขานั่งแล้วเขาไม่ง่วงอะ่ะแต่ทำไ ม, ไมเรานั่งถึงง่วงเพราะอะไรเพราะมีอะไรเยอะโมหะเยอะใช่ไหมโมหันปิดนะเนี่ยทำให้เราได้ข้อปฏิบัติที่ไม่ดีถ้าใจเราเป็นบาปเป็นมโนโทุจริตไหมถ้าพูดออกมาเป็นบาปเป็นกายวจีทุจริตการกระทำเป็นบาปก็เป็น กายทุกขเติดโมหะทำให้เราได้ข้อปฏิบัติที่ไม่ดีข้อปฏิบัติที่ดีไม่ได้กลับให้ได้ในสิ่งที่ไม่ดีเริ่มงชัดเจนั้ยนี่คือผลปรากฏของโมหะอะไรเป็นเหตุใกล้ของโมหะอะไรเป็นเหตุใกล้การใส่ใจในอารมณ์ผิดใส่ใจว่าไงก็ห็น ไ, ไหม คิดว่าดีไหมเอาคิดว่าดีไหมที่ตนเองกําลังทําอยู่เนี่ยก็ไปคิดว่าดีไงเช่นเราจะนั่งแอบหลับบ้างมันก็เป็นเรื่องดีอ่ะก็เราเพียแล้วง่วงอแต่ความคิดคิดอย่างเงี้ยเป็นปัจจัยเกิดโมหะไหมพระจะพูดก็พูดไปสิว่าไม่ใช่ใช่ไหมว่าไม่ใช่ลูกเา้า พูดกับคนไม่มีลูกเนี่ยพูดทั้งปีเขาก็ไม่รู้เพราะเรามีอ่ะเขาจะยังไงก็สําคัญว่าเป็นของของเราก็ใส่ใจว่าเป็นอัตตาไงอัตตาไงถ้าเราไปคิดอยู่เนี้ยให้ข้อมูลอย่างเงี้ยลองไปให้ข้อมูลที่ว่างามงา ม, งามขนาดตาบอดอยัางงามเลยหูหนวกก็งามได้ใช่ไหมงามได้หมดแหละลองให้ข้อมูลดูดิ ต้องไปใส่ใจผิวว่างามดีถูกเสียทุกคนต้องไปทําให้คนเสียก็ได้ตั้งแต่เกิดมาเลยอะดีลูกทํานี่ถูกดีหมดไม่มีเสียเลยเสียเลยเพราะเขาจะมีอะไรมีอยโยนิโสที่เป็นปัจจัยเกิดโมหะเนี่ยการใส่ใจว่างามใส่ใจว่าสุกใส่ใจว่าเที่ยงใส่ใจว่าเป็นตัวตวนของเราเนี่ย ไอการใส่ใจในลักษณะอย่างนี้เนี่ยเป็นเป็นโทษหรือเป็นคุณเนี่ยเป็นโทษด้วยอันนี้เป็นสภาพฐามที่เป็นเหตุแห่งความหลงนะเป็นความหลงเลยฉะนั้นตรงนี้ก็คือว่านิจจาสุขะอัตตาสุภานี่แหละการใส่ใจอย่างเนี้ยเป็นเหตุใกล้ของโมหะถ้าเราไม่ต้องการให้โมหะเกิดขึ้นก็พยายามมนัสิการ ให้โูกต้องเอะใจตัวเองก่อนว่าทำไมเขาฟังทำแล้วเขาได้กุศลแต่ทำไมเราฟังไม่ได้กุศลแสดงว่าเราใส่ใจผิดไหมฉลาดคิดหรือไม่ฉลาดคิดไอ้ตรงเนี้ยขาดโยนิโสมองเห็นอย่างว่าแท้ที่จริงอ่ะเราเป็นผู้ให้อาหารของโมหะทั้งนั้นที่ผ่านมาในสังสารวัฏเนี่ยแล้วถ้าเข้าใจมุมนี้นะต่อไปโมหะจะไม่เกิด โมหะจะไม่เกิดเพราะเราพอเรามีความสึกว่าเออดีเนาะอาหารนี้อร่อยนะนี่ใส่ใจผิดหรือถูกนี่โมหะเกิดง่ายไหมเนี่ยน่ะข้าน่ะข้าโอ้โหแต่นี้ตามมาเยอะเลยทั้งอ้วนทั้งลงพุงจะตามมาเยอะเลยต่เนี่ยยังไเพราะเราไปใส่ใจผิดแต่ถ้าเราใส่ใจถูกขึ้นมาวภาษาสระดาว่าอาหารนี้ไม่งามก็แปลว่าอาเป็อสุภะสิ แต่เรายังคิดว่างามแสดงว่าความคิดของเรามีโมหะแอบแฝงแน่นอนนี่ในะการคิดลักษณะนี้ค่อยๆสืบค้นไปเนี่ยนะเออคิ ด, คดเราอาหารนี้เป็นของเราพระศ า, าสดาบอกว่าไม่ใช่ของเราฉะนั้นการคิดอย่างนี้เราผิดแน่นอนฉะนั้นนี่คือการให้อาหารให้ปัจจัยของโมหะโดยแท้เราคิดว่าเราแก้ไขได้วันเที่ยงเน่ะ มันเที่ยงเนี่ยมันจะต้องเป็นอย่างนี้เท่านั้นไม่เป็นอย่างอื่นอันนี้เราใส่ใจผิดไหมแน่นอนเป็นปัจจัยเกิดโมหะไหมเป็นปัจจัยเกิดโมหะเราคิดว่ามันจะต้องสุขตลอดตลอดการเนี่ยอันนี้แปลว่าเราใส่ใช้ผิดแล้วอันนี้แปลว่าให้อาหารของอเมื่อให้อาหารทุกวันทุกวันโมหะโตไหมโตทุกทวารเลยจน ต, ตอนนี้โตใหญ่เลยอยู่เมื่โตพอไปฟังธรรมจะไปนั่งงงพุทธิย่าอยู่แน่เลย ไอ้พูดอะไรเนี่ยไม่รู้เลยเนี่ยก็มันโมหามันแรงมากอะ่ะมันก็ปิดหมดเลยตอเนี้ตอนนี้ไปคนละมุมเลยไหมไปคนละมุมเลยพู้เจ้าเรื่องทานน่ะอุ้ยก็ให้พอประมาณให้ได้ขนาดนั้นพู้เจ้าเรื่องศีลก็มีเล็กๆ น, น้อยๆก็พอแต่ไม่มีมากขนาดนั้ น, นจะแย้งทุกข้อเลยตอนนี้เพระเาะโมหะเยอะเป็นธรรมชาติที่คล้ายปัญญามากเ้าเรื่อมิจฉาญาณนะคล้ายปัญญามากรู้ทุกเรื่องโมหะ รู้อย่างเดียวไม่รู้อยู่อย่างเดียวว่ามัชชิมาปฏิปทาที่จะข้อวิัติดําเนินไปสู่ความพ้นทุกข์เขาเริ่มต้นตั้งแต่เมื่อไหร่ไม่รู้ว่าเริ่มต้นตั้งแต่ทานไปเนี่ยก็ไม่รู้โมหะปิดบนแหละตอนนี้เริ่มกระจายได้บ้างเนี่ยเริ่มเห็นคุณของพระเจ้ามากขึ้นไหมเนี่ยมากขึ้นแสดงว่าโมหะเริ่มถูกทําลายใช่ไหมถูกทําลายแบบเป็นตะทางคาตอาหารหรือสมุเจทะแน่นอนไหมตะทางคาตเนี่ย ถ้าไม่ทําลายนะเข้านะเข้ามันจะกลับมาปิดอย่างเดิมอีกไหมนั้นอย่าไว้ใจนะโอ้ยวันนี้เราเราเข้าใจพระธรรมแล้วถ้าเราไม่ได้เสพคุณบัณฑิตไม่ได้อยู่ในถิ่นที่เหมาะสมไม่ได้คบบัณฑิตไม่ได้ฟังพระธรรมไม่มีโยนิโสโมหกะกลับปิดอย่างเดิมไหมก็ปิดแบบเดิมเพราะตอนนี้เรายัางประเภทที่เป็นต่ทานข้าวอาหารเป็นอนิยต์ตาไหมได้แค่อนิยต์ตนะ ทำไม่ศีลสมาธิยังเป็นอนิยามมาทำอยู่ไมยังเป็นธรรมที่ไม่แน่นอนอยู่เลยฉะนั้นควรไว้ใจไหมไม่ควรไว้ใจเนะควรประมาทไหมแต่เนี้ยไม่ควรแล้วแล้วจะรีบเร่งจเจริญกุศลเมื่ อ, อไหร่เอาไว้พรุ่งนี้ได้ไหมไม่ได้บาปมันเกิดตั้งแต่วินาทีนี้เร่งเดินเดินตั้งแต่วันนี้ั้ย หมดเวลาแล้วเออทีนี้เวลาเวลาเข้าที่พักเนี่ยเราเดินกุศลได้ตลอดเล ย, ยไมหมแม้ไปคุยกันเองก็กุศลเกิดไหมพระเจ้าบอกว่าไงถ้าเจอหน้ากันให้คุยกันเรื่องพระธรรมถ้าไม่คุยพระธรรมให้ต่างคนต่างต่างนิ่งไม่ใ่นอ น, เ, นเออรีบนอนไปไหนก็ไม่รู้ เขาต่างคนต่างนิ่งก็ต่างคนต่างนิ่งเออรีบจ้างเรื่องนอนแสดงว่าไปรีบรีบเลยถ้าใช่ไก็พยายามทำให้กุศลเกิดเพราะที่มันั่งอยู่นี้ใครคิดว่ากุศลเกิดเท่ากันมั้ยจะต้องมีคน มีกุศลเกิดมากเกิดน้อยไม่เท่ากันแน่นอนใช่ไหมตรงนี้ก็ฉะนั้นบางทีอวันเท่ากันเนี่ยชั่วโมงเท่ากันเนี่ยแต่การได้กุศลไม่เท่ากันอันนี้เป็นเรื่องที่เนี่ยการการได้ข้อมูลมากๆโอกาสเจริญกุศลได้ค่อนข้างชัดเจนขึ้นเพราะว่าชีวิตของเราท่านทั้งหลายโอกาสการเจอกันเป็นเหมือนกับว่าเออเป็นทางผ่านเนาะ แต่ที่สุดจริงๆเราก็จะต้องเดินคู่ไปกับศรัทธาที่มั่นคงในพระธนรมตรายชีวิตก็จะไม่ไม่ว้าวีแล้วที่ผ่านมาเราไม่มั่นใจนะถ้าเราจะเดินออกจากบ้านออกเดินออกจากทรับเดินออกจากบุตรภรรยาพ่อแม่พี่น้องเรากลัวที่เราจะไปรอดไหมอะไรอย่างี้แต่ถ้าวันใดวันหนึ่งนะเราได้สัตทินซีที่แข็งแรงมีความเชื่อมั่น ในคุณของพระรัตนตรัยมีความตั้งมั่นในศิกขาสามเชื่อหมดนะเชื่อในคุณของพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เชื่อในศิกขาสามใช่ไหมเชื่อในกรรมและผลของกรรมเชื่อเรื่องสังสารวัชเชื่อว่าพระนิพพานมีเนี่ยพระธรรมเออใช่ไหมเชื่ออะไรเชื่อมรักแปดว่าถ้าเราเดินตามศีลสมาธิปัญญาประโยชน์ต้องได้เนี่ย ประโยชน์แล้วก็ศีลสมาธิปัญญาใช่มมีจริงและเราก็ได้สัมผัสแล้วว่าามันเกิดขึ้นมันเกิดจริงๆเนอันนี้แปลว่าไม่ใช่เป็นเรื่องความเพ้อฝันรลอแต่เป็นสภาวะธรรมที่สัมผัสได้ดื่มได้บริโภคได้ทำให้นามธรรมานั้นนะ่ะได้อัตถะรษะและก็ธรรมรษะได้ได้เสวยรสของพระธรรมคุณ พระพุทธคุณพระธรรมคุณแล้วพระสังฆคุณได้จริงๆใช่ไหมอันนี้ก็ได้เสวยรสของศีลสมาธิปัญญาได้อันนี้อันนี้ความมั่นใจตรงนี้ถ้าได้สัมผัสแล้วใช่ไหมได้ดื่มด่ำบ้างแล้วก็ต้องรีบเลยเพราะเรายังไม่ได้ภาวะใจที่เชื่อเต็มที่นะตอนนี้ยังไม่เต็มที่ยังไม่กล้าปล่อยจิตเต็มที่นะเนี่ย ไม่กล้าปล่อยศรัท ธ, ธาเต็มที่ไว้ในพระัฒนาัยเพราะบางคราวก็ยังเป็นห่วงวัตถุกรรมอยู่ไหมเป็นห่วงกรรมคุณอยู่ตรงนี้ฉะนั้นแต่ละบุคคลก็เร่งควรขวายแล้วก็พัฒนามีใครถามปัญหาเลยไหมให้หนึ่งข้อมีไหมมีไม่มีมีไหม อู๋ที่สนก็สนกันหรือยังอ้าวใครจะถามก็ถามหนมีไม่มีสงสัยว่าอ้าวว่าไงแต่บางคนก็มีความคิดนะว่าเอ๊ะทาไมปัญหากันนะ ก, กันหนาก็ไม่รู้เวลาพักผ่อนกันน้อยลงอีกทีนึงไม่คิดมั่งมุมนี้คงไม่เป็นนะไม่เป็นเลยเนาะเรียกว่าเอ๊ะสงสัยกันอยู่เรื่อยเลย ขอพระอโทษบคุคคลมีอายุมากแล้วการเข้ามาศึกษาปริยัตเนี่ยตามสถานที่ต่างๆไม่สะดวกอยากขอความเมตตาจากพระอาจารย์ได้โปรดแนะนำหลักการศึกษาสำหรับผู้สูงวัยนะคะในในข้อแรกก่อนค่ะเออคือคือเรื่องการศึกษาคำสอนของพระเจ้าก็เพิ่นก็คือว่าถ้าในยุคปัจจุบันเนี่เนี่ย สำหรับที่คนมีเวลาที่เหลือเนี่ยจริงครับคําว่าเลอเวลาเหลือน้อยเนี่ยจริงๆเท่ากันให้นึกมุมนี้ก่อนก็แล้วกันแต่แล้วบุคคลที่นั่งอยู่ในที่นี้เราเอาอายุไปวัดยากหรือเกินถ้าความขาดลงหนึ่งชีวิตตินซีชีวิตรูปุ่บและชีวิตตนามเนี่ยไม่รู้ชีวิตจะขาดลงนะเมื่อไหร่เด็กตายก่อนผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ตายก่อนเด็กและเยอะแยะหมด อันนั้นไม่ใช่มาวัดหรือว่าใครจะตายก่อนใครแต่ที่แน่ๆก็คือทุกคนต้องตายเนี่ยนะต้องตายแน่นอนคือท่องได้เลยว่าตายแน่ๆตายแน่ๆไม่รอดเนี่ยทำยังไงก็ตายนะให้ท่องเอาไว้เือว่าแต่ตอนนี้เรามาพบไม้งามเนาะคำสอนของพระเจ้าใครว่าขวานบิน อามาไม่ได้พูดํานี้เนี่ยแปลว่าอะไรเนี่ยแล้วจะตัดไวไหมเนี่ย <S <S <S <eger> ที่จริงก็อย่างนี้ที่พูดตรงนี้ก็คือว่าต้องการอยากให้เราเข้าใจว่าอย่าบางท่านเนี่ยเนียเราดูอย่างท่านพระราธาพ า, ามเนอะนี่บวชตอนตอนอายุมากแต่กลายเป็นพระที่บวชมาแล้วเนี่ยกลายเป็นบุคคลที่ ไในการที่จะศึกษาแล้วก็น้อมน้อมแล้วก็พุทธปฏิบัติมากที่สุดซึ่งอีกนัยยะหนึ่งสุภัฏทะวุธาบัรปชิตอันนี้ก็มาตอนอายุแก่เหมือนกันแต่อันนี้กกลายเป็นแข็งกระด้างเพราะมานะทิฏฐิถามบอกว่าคนที่จากอายุมากแล้วเข้ามาศึกษาพระธรรมถ้าต้องการอยากจะเข้าใจพระธรรมคือลดตัวนี้ให้ได้ ลดตัวมานนกับทิฏฐิลงทีนี้ระบบการศึกษามันมีระบบแบบที่ไม่ต้องศึกษาแบบช น, นิดที่ต้องทรงอะไรต้องเยอะแยะก็มีอยู่ฉะนั้นระบบที่เขาจะเรียนแบบระบบย่อย่อระดับไหนหนึ่งย่อที่รู้จักสภาวะของจิตเจสิก แล้วก็รูปให้เข้าใจในพื้นฐานพอเข้าใจในพื้นฐานเบ็ดเสร็จตรงนี้แล้วก็ก็เริ่มมาขับเน้นว่าตัวไหนเป็นฐานกุศลตัวไหนเป็นศีลกุศลตัวไหนเป็นภาวนากุศลมันก็จะเริ่มไปได้แล้วแปลว่าฐานตัวเองนะพอได้เพราะการยอ่อแต่ไม่ใช่ต้องอาศัยท่านผู้รู้ท่านย่อให้ไม่ใช่ไปย่อเองเรียนเองเข้าใจเองนะ อาศัยผู้รู้ทั้งหลายที่เขาย่ อ, อ ก, กฎเกณฑ์ที่มากมายให้ให้กระชับให้เหมาะและในขณะเดียวกันก็คือว่าความที่เราร่วงการผ่านไว้มาเยอะเนี่ยมันจะเป็นผ ป, ปัจจัยส่วนหนึ่งในซ้ำไปทำให้เรานั้นอ่านแล้วก็เขียนและเข้าใจอะไรได้เร็วขึ้นแต่ขออย่างเดียวว่าลดทงคือมานะกับความเห็นที่กระด้างคือความแข็งของจิตเนี่ยจะค่อนข้างเยอะนี่นะ ตรงนี้ก็ลดลงมาน้อมรับฟังไม่ว่าท่านผู้นั้นจะเป็นเด็กเป็นปานกลางหรือผู้สูงวัยตรงเนี้ยมันจะช่วยได้ยเยอะแล้วก็การศึกษาก็ใช้เวลาค่อนข้างที่ไม่มากทีนี้ถึงแม้ไม่สามารถที่จะบรรลุในปัจจุบันนะพบก็ไม่เห็นเป็นไรเพราะขอให้เราเดินก้าวแลกถูกเนได้เปรียบตั้งเยอะดีกว่าก้าว สิบเก้าแล้วมันผิดมาตั้งสิบเก้าฉะนั้นการเริ่มเก้าแรกถูกนั้นน่ะเริ่มวันไหนก็ไม่สายเพราะอะไรให้สังเกตยังไงก็คนบางท่านเนี่ยเขาวางศรัทธาไว้ในพระศาสดาก่อนตายเพียงไม่กี่ขณะจิตเขายังได้ดิบได้ดีได้ใช่ไหมอย่างเช่นโจรเขาแดงเนี่ยใกล้จะตายอยู่แล้วเงี้ยนะ ออมีเพชฌฆาตคนหนึ่งนะแกทำบาปมาทั้งชีวิตแกเป็นกลุ่มโจรห้าร้อยเข้าใจไหมในบรรดาโจรห้าร้อยเนี่ยพเกินถูกจับได้เพราะถูกจับได้ในโทษประหารทั้งหมดเขาก็เลยถามบอกว่าเอาในบรรดาห้าร้อยคนถ้าใครสามารถใช้มีดตัดคอเพื่อนทั้งสี่ร้อยเก้าสิบเก้าคนได้เนี่ยจะให้คนนั้น รอดชีวิตยอยู่และจะให้ทำงานเป็นเพชฌาไม่มีใครเอาเลยเขารักเพื่อนเขาอะแต่ในโจรคนนี้เอาเอาเลยอะรับมีดอย่างคมเปรเสร็จก็พวกก็ด่าเอาใช่ไหมันทำได้ยังไงฆ่าเพื่อนเนี่ยเอามาที่ตัดคอปึบฟึบเหมือนตัดเนี้ยเดินตัดเนี่ยห้าร้อยห้าร้อยหัวเลยตัดคอเดอสี่รอยห้าสเก้าสก้าหรือตัดเนี่ยเขาต่อมาก็เลยแต่งตั้ง ให้เป็นเพศข้าศีใช่ไหมแกก็ทํางานจนก็เสียเนื้อเยื่ะจนกะเกษียเนือเยื่อตัดทําไมเขาให้เลิกให้ออกไหมตัดไม่เข้าตัดปึกแล้วมันไม่ขาดเขาก็ทรมานอยู่ไหมคนจะตายเนี่ยเอ้ยน้าเข้าหน้าเข้าต้องตัดหลายครั้งเลยเลต้องใช้แรงอยูม่มะ เขาก็บอกเองงี่ไม่ไหวแล้วต้องในชิในยุคนั้นเน่ยก็ต้องฆ่าคนเยอะนะแต่เขา้แเขาแต่เขาก็ก็ปลดพอปลดกันนั่นแหละภรรยาอะไรต่างก็ให้อาบน้ำโอ้ยวันนี้ได้อาบน้ํามีไหมได้อาบน้ําที่ดีได้นุ่งห่มผ้าที่ไม่เปื้อนเลือดเนี่ยคนคนนี้ยังได้ไ ด, ได้ได้สุขติได้เลยได้อัธยาศัยในพระเจ้าด้วย เมื่อเมื่อภาษาดิบุตรเป็นต้นมาโปรดเงี้ยเห็นไหมแค่ตั้งอันนี้ถือนหนักกว่าพวกเราเยอะไหมถ้าพูดไปนะเอ อ, อได้อนุโลมขันติยานไม่เน่ยใจเนะี้ยได้ได้วิบัติยาณระดับสูงได้อนุโลมขันติยานไม่ใช่ได้บัลลุเกือบมะเกือบมะเกือบไปอย่างนี้เป็นต้นอันนี้เกืออะไรเนี่ย บ่งบอกให้เห็นว่าถ้าศรัทธาให้ถูกแล้วเนี่ยก้าวแรกก็มีมผลอย่างมากสําคัญว่าที่เราก้าวๆกคนมาเนี่ยมันถูกไหมเนี่ยประเด็นมันอยู่ตรงนั้นถ้าคอยหก้าวแรกถูกเถอะก้าวต่อไปเนี่ยมันไอ้กระดุมเสื้อเนี่ยถ้าเม็ดแรกใส่ถูกแล้วมันจะถูกใช่ไหมถ้าเม็ดแรกผิดเนี่ยใส่ถูกเม็ดที่สองมันก็คือผิดไหมก็คือผิดตรงนี้ฉะนั้นก้าวแรกเนี่ย ให้เข้ามาสู่พระศ า, าสนาให้มันถูกเถอะเราจะครบใครแหละถ้าเราสามารถครอบสัตว์ปรุษที่พาเราเชื่อมโยงพระพุทธเจ้าได้บุญนด้นวุนั้นไปอนนี้ก้าวแรกฉะนั้นไปเร็วไปช้าชักไม่ค่อยสําคัญนะ้วสำคัญว่าไปถูกหรือไปผิดนี่พอจะมองเห็นไว้ตอนนี้ยพอจะเชื่นใจเนาะถ้าเรามองเห็นอย่างนี้ยนะแต่นี้ก็เลยเลยทําให้เรามองเห็นอีกมุมหนึ่งก็คือว่า ในชั้นของการที่ว่าความที่เราร่วงการผ่านไว้เนี่ยถ้าเรารู้ว่ากิเลสตัวไหนมันจะแรงกล้าแล้วก็ลดให้มากแล้วก็น้อมที่จะฟังว่าธรรมของพระศาสดาในสุดจริงก็จะเป็นไปเพื่อการขัดเกลาจะข้อต่อไปว่าไงไอ้อัตตาลพุตตา ก็อย่าไปทำคืออย่างงี้นะในตาละปุตตะเทละคาถาหรือในตาละปุตตสูตรไปดูได้หลายๆที่นี่นะก็คือว่าตอนนั้นเอ้ยล่าไปแล้วในเรื่องนี้ก็คือว่าตาลปุตตะเนี่ยแกเป็นนักแสดงคือนักแสดงนี่คือแกเป็นเจ้าของวงเนี่ยมีคณะอยู่ในคณะงานแกเนี่ย เฉพาะหางเครื่องเนี่ยคนตอกมาเต้นเนี่ยนะพันคนวงใหญ่ไหมถ้ามีคณะหนึ่งพันเนี่ยไม่ธรรมดาแน่นอนเป็นวงที่ใหญ่และดังที่สุดในชมพูเทวีดังมากถ้าจะไปติดต่อให้แสดงเนี่ยมัดจำในยุคนั้นก็คือหนึ่งแสนกะหาบะนะแล้วออกมาจะต้องมีการตอบรางวัลนะคนละเป็นแสนกะหาบะนะ ชนีดที่ว่าออกมาในกรีดกล้า ก, กันเป็นแถวเลยวะกัเถอะออกมาเพราะอะไรเป็นนักสแสดงที่มีชื่อเสียงในชมพูทวีตาลปุตตะทีนี้อยู่ต่อมาก็มาสแสดงที่กรุงราชคลืาาคอทราบว่าพระศาสดาประทับแสดงเสร็จก็ไปเฝ้าพระเจ้าเพราะมั่นใจว่ากุศลนี่ตัวเองทํามาความดีที่ทํามาเนี่ยตัวเองจะไปเกิดเป็นเทวดาใช่ไหมแต่ไม่แน่ใจว่า จะใช่อย่างที่อาจารย์และป h a r m จารย์เนี่ยบอกตัวเองไว้หรือไม่ก็ไปเฝ้าพระเจ้าพระเจ้าก็ห้ามสามครั้งบอกอย่าถามในที่สุดจริงๆพระท่านก็ถามจนได้พระศาสดาก็บอกเลยบอกว่าปกติคนมีโลภะอยู่แล้วคนก็มีโทสะอยู่แล้วคนก็มีโมหะอยู่แล้วความลุ่มหลงอยู่แล้วพฤติกรรมการกระทําของเธอนั้นมันไปเพิ่มโลภะเขาให้มากขึ้นไปเพิ่มโทสะให้มากขึ้น เพิ่มโมหะคือความลุ่มหลงให้มากขึ้นฉะนั้นจึงไม่ใช่บุญเลยมันเป็นบาปก็เลยละบอกคติเลยว่าพฤติกรรมที่เป็นการทำให้คนลุ่มหลงมัวเมาเนี่ยด้วยโมหะแล้วก็ทำให้คนยึดติดโวยโลภามากขึ้นและบางคราวแสดงเป็นตัวโกงขึ้นมาเนี่ยนะก็โกรธก็ทำให้เขาโทรสามมากขึ้น ฉะนั้นเมื่อเปการไปสร้างเหตุปัจจัยเพิ่มราคาโทสะโมหะทำให้มากขึ้นในกระแสของจิตของเขาเนี่ยแล้วมันจะเป็นบุญได้ยังไงใช่ไหมคติเมื่อทำไปเนี้ยกรรมที่ทำไปเนี้ยถ้าทำแบบนี้ถ้าทำแบบนี้ด้วยเนียเห็นและทำอย่างนี้ด้วยเนี่ยก็คือมีนรกขุมหนึ่งเขาเรียกว่าหาสารนรก ไอ้กขมเนี่ยเมื่อไปเกิดแล้วเนี่ยจะต้องดิ้นอยู่ตลอดเวลาเลยเพราไฟมันเผามันร้อนพื้นก็ร้อนแต่ถ้าหากมีความเห็นอย่างนี้ว่าใช่เลยว่าการกระทาเช่นนี้ดีมีประโยชน์เป็นต้นเหล่านี้นะทำให้หายคลายเครียดมีทิฏฐิเห็นอย่างนี้นะแล้วก็ชอบใจยินดีอย่างนี้หรือชอบดูเลยทั้งหลายเขาสัตว์เดรัจฉานมีคติสองสัตเดรัจฉานกับสัตว์นรก ไม่ว่าไงเนี่ยอ้าวล้วเหผลสมดุลกันไหมว่าเป็นการเพิ่มหรือเป็นการลดแต่ยกเว้นแต่เป็นการแสดงเพื่อบูชาเนี่ยแล้วให้คตินะเนื้อหาเพลงให้เป็นคติเนี่ยเป็นธรรมะได้เลยเป็นบุญด้วยเห็นไหมก็ต้องดูว่าเรื่องนั้นที่แสดงเพลงนั้นที่ขับกล่อม ฟังไปแล้วทำให้คนตั้งมั่นในทานศีลภาวนาไหมถ้าอย่างนั้นเสนับสนุนไปเถอะหรือดนตรีที่ขับกล่อมเพื่อเป็นการบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์อันนั้นก็เป็นบุญเป็นกุศลไปตรงนี้ก็ได้คำตอบว่าเขาควรทำอย่างไรคุณต้องการแสดงคุณก็เอาสาระสิคุณจะขับเน้นโลภะโทสะโมหะที่ขับเน้นสาระประโยชน์ได้ไหม ทำให้คนเกลียดชั่วกลัวบาปเจริญกุศลคนที่เขาไม่มีทานให้เขาบำเพ็ญทานให้ถูกเขาไม่มีศีลบำเพ็ญศีลไม่บำเพ็ญประโยชน์สอนเตือนให้เขาบำเพ็ญประโยชน์เพิก็เป็นบุญใช่ไหมนี่ทํำไมไม่ทําแล้วสิ่งที่เป็นประโยชน์เนี่ยไปขับเน้นให้คนมัวเมาลุ่มหลงยึดติดเอาไม่บาปจะเป็นบุญได้ไงใช่ไหมมันก็คือบาปอยู่ดีมองเห็นอย่างเดนเนี้ย พอจะชัดเจนไหม อ, อีกคําถามหนึ่งนะคะของท่านผู้เดียวกันถามว่าเราควรทําอย่างไรกับผู้ที่กําลังป่วยด้วยโรคร้ายนะคะในฐานะที่เป็นผู้ดูแลเราควรทําอย่างไรกับผู้ที่กําลังป่วยด้วยโรคร้ายตรงนี้ก็คือให้เขารู้จักที่จะโอ้ถ้ามีจังหวะให้ทานก็ให้เขาบริเวณทานให้ถูกให้เขาทําเลย เนียให้เขาเจริญทานกุศลเลยแล้วก็อธิบายทานให้เขาเข้าใจว่าเนี่ยมันจะเป็นสารณะเป็นที่พึ่งของคุณยังไงนีแล้วก็ให้เขาอยู่กับศีลอย่างไงแล้วก็เขาให้มีความศรัทธาเชื่อมั่นในคุณของพระรัตนตรยัยก็ระดมถ้าเขามีเวลาแค่ไหนยังไงยิ่งเขาไม่มีที่ไปไม่มีที่พึ่งตรงนั้นแล้วการน้อมใจเชื่อน่าจะชัดขึ้นเพราะว่า ความทุกข์บีบคั้นเขาแต่ไม่ใช่บีบคั้นจนโคม่าแล้วนี่สอนไม่ทันแล้วเนะต้องต้องก่อนหน้านะั้นถ้ารู้ว่าเขาเป็นป่วยโรคร้ายเนี่ยนะก็เริ่มเริ่มให้เขาตั้งหลักในชีวิตให้ถูกนะแทนที่เราจะเขาจะไปใช้ชีวิตอย่างอื่นเอามาเคยเจอคนคนหนึ่งนะติดเชื้อ SIV เป็นผู้หญิงไปรู้จักเธอเรียนพอจบก็ติดปีนั้นเลย เพื่อนก็พาไปฉลองน่ะเขาก็ก็เกิดไปพลาดจากที่คบกันเป็นเพื่อนเป็นแฟนผลปรากฏเขาเขาพาไปก็ไปก็แค้นมากก็ามารู้จักมาก็บอกเออให้เจริญกุศลอย่างไรพอไปไปมาเบสเสร็จเาก็มาพยายามศึกษาพราะธรรมอยู่ได้ไม่ได้ไม่ศึกษาอะไรมากเพียงแต่มาขอนุ่งขาวห่มขาวเลย ได้สักเจ็ดวันนักข่าวัขาเขามากราบลาเขาบอกว่าเขาคิดอย่างที่อามาว่าไม่ได้อมาก็ถามองเขาบอกเขาขอไปไปทำสิ่งที่เขาคิดดีกว่าอามาเขาพยายามเตือนไงเาก็ไม่ฟังแล้วไปแล้วผลปรากฏผ่านไปประมาณสักสี่ห้าเดือนเขาอาการก็ก็แย่มาเ็เจอเ็ถาม เขบอกเขาได้ทําในสิ่งที่เขาคิดแล้วถามมันคือเขาไปแก้แค้นผู้ชายทั้งหมดโอนี่น่ากลัวมากน่ากลัวมากเห็นไหมนี่การก็คือเอาเขาก็ปล่อยตัวใครอยากจะมาติดเชื้อเขาต่อกมนเลยเขาคิดว่าเขาได้ทําที่สุดจรงก็นี่ตายไปแล้วเขาอันนี้แปลว่าเพราเออเรา มันมันเพศตรงกันข้ามไดงไงเราก็ไม่มีโอกาสที่จะไปสื่ออะไรได้ชัดเจนขึ้นความห่างกันในฐานะนี่แหละใช่ไหมความเป็นพระนี่อันนี้เราไม่รู้จะสื่ออย่างไรนี่เขารับข้อมูลไม่พอเราพยายามจะให้ข้อมูลเขาก็ปิดก่อนตรงนีน้เพราะใจเขากำลังทุกข์มากฉะนั้นตรงนี้ต้องอาศัยว่าใครที่จะสามารถที่จะไปให้ข้อมูลเขาที่จะ ไม่กล้าทำสิ่งที่ที่ที่ที่เป็นบาปอย่างรุนแรงอย่างนั้น